ลูกรักทั้งหลายสำหรับเทพ น, น้านี้เวลานี้มันเป็นเวลาสี่นาฬิกาของวันที่ 21, ยี่สิบเอ็ดเมษายนสองพันห้ารอยี่สิบเอ็ดเมื่อชาวมื่อตื่นขึ้นมาหลังจากที่นอนก็เกือบจะตี4ีเวลายามจะหลับประมาณตีสามเศษ เวลานี้ก็รู้สึกว่าเป็นเวลาสิบห้านก้าสิบสี่นาทีหลังจากลงางหน้าเสร็จก็ถือโอกาสมาเล่าเรื่องสนหรับ ก, การเดินทางคราวนี้สูบรรดาลูกทั้งหลายฟังหลังจากที่ออกเดินทางมาจากกรุงเทพ เข้าไปในเขตของจังหวัดประโจกพิร Man, <una pickup improved miserable> ิขันเมื่อเข้าไปในบ้านของท่านพันเอกเล็กพันเอกตำรวจหน้นพันตำรวจเอกเล็กปอตี้แล้วปรากฏว่าตั้งสองคืนมีบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนมารักมาคับข้างมากรู้สึกว่าเขาเหล่านี้มีศรัทธาเป็นอย่างดีคืนแรก แม้แต่เจ้าของบ้านจะปกปิดก็ยังมีข่าวลู่ไหลไปหาประชาชนแถวนั้นพากันมาหลายท่านสำหรับคืนที่สองซึ่งเป็นคืนสุดท้ายก็เดินทางก็คนมีคนมามากหนักยิ่งขึ้นจนกทัางล้นจากบริเวณห้องรับแขกว่าจริงบริเวณห้องรับแขกของท่านก็เสึกวกว้างขวางใหญ่โตมาก แต่ทั้งนี้จะเห็นมันแบบผ้าศัยความดีเขาจะของบ้านเป็นสําคัญก็าเจ้ของบ้านเป็นคนมีน้ำใจอบอ้อมอารีรักเพื่อนบ้านแล้วก็เป็นผู้ทรงธรรมที่กล่าวว่าเป็นผู้ทรงธรรมเจจเห็นได้ชัดเจเพราะท่านพันเอกเล็กพอตีเจนว่าท่านเป็นคนพูดน้อย มีจิตเมตตาปราณีเป็นอย่างมากสำหรับพัญญาของท่านเป็นคนพูดเก่งแต่ยิ้มแยมแจ่มจใสน้ำใจชื่นบานพวกคณะของเราทั้งหมดไปวันนั้นมีได้ความสดชื่นหันษาทุกคนก็บอกว่ารักทั้งเจ้าของบ้านทั้งสองและก็รักท่านพันเอกประสานก แต่อคุณนายสมพิธตลอดจนทุกคนเพราะว่าทุกท่านแทนที่จะเห็นว่าพวกเราเป็นแขกดูมันว่าทุกท่านจะเห็นว่าพวกเราเป็นลูกเป็นหลานก็ท่านมากกว่าความดีอย่างนี้บรรดาลูกหลักทั้งหลายจําไว้เป็นตัวอย่างเพราะว่าการเที่ยวไปจงอย่าเที่ยวดูแต่ภูไม่ประเทศ จงอย่าเที่ยวไปดูแต่เพียงว่าอะไรมันมีค่ามันมีค่ามากที่ไหนมีของสวยที่ไหนควรจะ <c oughs> ซื้อเสี้ยงทั้นหลายเหล่านี้ถ้าเราดูก็รู้สึกว่าจะดูแต่ผิวเผินแต่ถ้าหากว่าเราจะดูถึ้งจริยาของคนทําไมคนนั้นเขาจึงมีคนรักมากทําไมคนนี้เขาจึงมีคนเกลียดมาก แล้วทำยังไงบ้านนี้เขาจึงจนถ้าอะไรบ้านนี้เขาจึงรวยดูแล้วก็เอามาคิดคิดแล้วก็ทบทวนต่อไปว่าคนจนก็ดีคนรวยก็ดีคนที่มียศใหญ่ก็ดีคนที่มียศน้อยก็ดีใครเขามีความสุขมากกว่ากัน ความสุขนั้นจะมาจากไหนเจนท่านพันตำรวจเอกเล็กเปาตีเวลานี้ถ้ามีสุขอยู่กับธรรมท่านไม่เคยพูดถึงว่าความสุขที่มีนั้นมาจากยศถาบรรดาศักดิ์หรือมาจากความร่ํารวยอารมณ์ที่น่าคิดจุดหนึ่งก็คือว่าท่านพันเอกพันตนรวเอกเล็กเปอตีคนนี้ พ่อเคยพูดถึงว่าท่านเป็นคนไม่โกงไม่ทุจริตมาในสมัยเป็นตำรวจเคยพูดกับตารวจคนอื่นๆในสมัยปัจจุบันด้านดีว่าเขาเถอะเราเหล่านั้นไม่ไม่อิ่มไม่เบื่อในการแสดงหาราบสการะยิ่งหันมาถามนบาสนสําหรับท่านรองท่านเคยเป็นรองผู้บังคับการยังหวัดกรงศรีอุตยา เมืองนี้ถ้าข้าดการอยาเจริรวยก็รู้สึกว่ารวยไม่ยากึงบอกว่ า, านี่แสดงว่าท่านรองผู้รับการตอนโง่ไปนิดหนึ่งที่โกงกับเขาไม่เป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่จะได้มาต้องได้มา้วยการไม่ผิดกฎหมายและก็ขาวสะอาดจึงมีทุนน้อยกว่านายตำรวจปัจจุบัน ที่เขามีอาการอยากจะได้ทุกอย่างที่กฎหมายก็ชอบอยากว่าถูกกฎหมายก็ชอบถ้าก็เลยบอกว่าเท่านี้ก็รวยพอแล้วครับเพียงทรัพย์สินที่เวดามารดาให้กับเงินเดือนที่เก็บหอมรอมริบมาซึ่งไม่ได้ใช้ไปทางที่ไม่ชอบหรือว่าท่านเป็นคนไม่ชอบคือราดมีไร ไม่ใช่ท่านติดสุรามีไรหรือว่าสุรามีไยมาติดท่านเป็นปัจจัยให้ท่านคนนี้เก็บหอมรอมริบทรัพย์สินได้ดีเขาก็เลยบอกว่าเท่านี้ผมก็รวยแล้วความรวยจริงๆมันอยู่ที่พอเท่านี้แล้วลูกรักจงจำความสุขใจของท่านไว้ว่าท่านมีความพอท่านยังสุขใจ เงแค่เงินเดือนกับเงินที่ได้มาในทางสุจริตออกจากราชการแล้วก็มีเงินใช้มีบ้านอยู่มีสถานที่อยู่อย่างเป็นสุขอารมใจก็เป็นสุขและนอกจากนั้นจิตใจเขาให้เราสนใจในสมถะภาวนาวิปัสนาภาวนาตัวอย่างประเทนี้น่าคิดแล้วก็มาช่งจุดนี้จะต้องคิดกันอยู่สักนิดนึ่ คิดว่าเพราะอะไรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จึงอดน้ำทังทั้งที่มีน้ําตกแล้วก็เพราะอะไรชาวชาวปางมีน้ําอุดมสมบูรณ์ทางราชการยังต่อพอน้ํามาให้ที่เป็นอย่างนี้พ่อมีความเข้าใจคว่าจังหวัดประจบคีรีขันธ์ที่มีน้ําตก แต่ว่าจังหวัดประจวบคิดิขันเขาบอกขาดแสนน้ำํำทั้งนี้ก็เพราะว่าคนไม่เห็นความสําคัญของน้ําตกเป็นปัจจัยอย่างหนึง่งและว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งของปางอุดมสมบูรณ์ไปได้น้ําแต่ว่าขาดไฟฟ้าคนทุกคนต้องการไฟฟ้าแต่ว่าทางราชการต่อประปาไปให้เป็นที่ไม่ถูกใจของชาวตลาดคองปาง แต่นี่พ่อไม่โทษ ร, ราชการฝลายปฏิบัติการเห็นจะเป็นเพราะความเห็นว่าความมีสําคัญต่างกันระหว่างไฟไฟกับน้ําทางราชการอาจจะเห็นว่าน้ํามีความสําคัญมากแล้วคลองบางแล้วขอโทษคลองวานคลองวานนี่อยู่ใกล้ทะเลเกรงว่าน้ําที่หามาได้จะไม่พอทางราชการจึงได้จัดหาน้ําไปให้ การที่มีกําลังใจไม่เสมอ ก, กันแะไหวงระหว่างการฝ่ายปกครองเลยคนที่อยู่ในพื้นที่ก็เป็นเรื่องน่าจับใจนิดหนึ่งอย่างนี้ลูกทั้งหลายที่เป็นข้าราชการหรือไม่ได้เป็นข้าราชการหากว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ต่อไปในภายหน้าก็น่าจะเอาเรื่องนี้ไปคิดว่าอะไรเป็นของก่อนอะไรคนหลัง งานที่จะเพืงปฏิบัติมีความสาคัญอยู่ว่าอะไรจะเป็นของก่อน อ, อ, อ, อละไรหลังเท่านั้นเมื่อวันที่ยี่สิบวันที่สิบเจ็ดเมษายนสองพันห้าร้อยี่สิเอ็ดตอนเช้าเวลาเวลาเจ็ดนากาสามสิบนาทีลาท่านจาของบ้านเดินทางต่อมาจังหวัดชุมพรแล้วก็ตั้งใจมาจังหวัดกระบี่ ระว่างการเดินทางก็รู้สึกว่าเป็นไปได้วยดีไม่มีอะไรขัดข้องเดินทางเรืยเยนมาเห็นป้ายจังหวัดต้ตอำเภอปะทิวอำเภอท่าแสะมองไปนั้นด้านทางซ้ายมือไม่ไกลนักเป็นเขตของพมา่าก็รู้สึกในใจว่ า, วาดินแดนแห่งนี้ก็เป็นเดินแดงประวัติศาสตร์ เมื่อเข้าเขตจังหวัดจันทพรถึงถึงสามแยกที่มีปั๊มน้ำมันรายกฏว่าท่านบ๋อมงหลวงวรวัตรนวารัตผู้บยการตรงไปฟ้าไ่าิดสายใต้ท่านไปรอรับอยู่แล้วหยิบนาีกาขึ้นมาดูเห็นว่าเวลาสิบนกาเศษนิดหน่อยท่านจพงได้นำมา กินข้าวกลางวันกันที่อำเภอหลังสวนเซมรับอำเภอหลังสวนนี่รู้สึกว่าเป็นอำเภอที่พ่อเห็นว่าเป็นของใหม่เพราะว่าอำเภอนี้ผ่านทุกคราวไม่เคยแวะเข้าไปในอำเภอหลังสวนก็เป็นเรื่องแปลกที่จะของร้านขายอาหารอยู่ในห้องเดียวกันแต่เป็นสามเจ้ากลับกลายเป็นคนที่ไม่ถูกกัน จะ ต, ต้องกินข้าวอย่างมีระเบียบซื้อของใครกิงตั้งเก้าอี้ของคนนั้นถ้าไปซื้อของคนอื่นมามันตั้งเก้าอี้เขา อ, อีกฝ่ายหนึ่งเจ้าของเขาจะไล่ให้ไปนั่งเก้าอี้ที่เขาจัดไว้โดยเฉพาะแต่ละเจ้าถ้าจะว่าถึงความมีระเบียบก็รู้สึกว่ามีระเบียบดีแต่เยียวว่ากระทิงใจปรานีกันก็รู้สึกว่าจะขาดไปหน่อย เป็นอนุวาทั้งสามฝ่ายสามรายด้วยกันที่ไปคุยขายอาหารในห้องนั้นก็เข้าใจว่าจะไม่รักไม่สามาัคคีไม่ถูกไม่ต้องกันเห็นจะเป็นเพราะเรื่องผลประโยชน์เป็นสำคัญขณะที่มานั่งอยู่ที่อาเภอเกตอาเภอหลังสวนอารมณ์ใจก็มีความรู้สึกไปนิดหนึ่ง ว่านับตั้งแต่ออกจากอำเภอหลังสวนเป็นต้นไปเราอาจจะเป็นบุคคลที่มีคนรักเป็นพิเศษจะมีคนคอยสังเกตการการเคลื่อนไหวของเราว่าเราไปไหนกันบ้างและคนที่แสดงความรักประเภทนั้นมันก็เป็นที่น่าหนักใจของพวกเราเหมือนกัน ว่าความรักประเภทนี้มันเป็นวความรักประเภทที่ฝากความอาลัยไว้มากกว่าฝากความคิดถึงมองสายตาบุคคลบางคนไม่ได้เดาคิ ด, ค ด, คดวัวเขาเป็นศัตรูก่รู้สึกว่าเขาจะมีความแปลกใจในยี่ห้อรถของเรามากกว่า ร้านอาหารร้านนี้แปลกปรากฏว่าไม่มีห้องถ่ายพัสะวะเข้าใจว่าจะเป็นห้องเช่าชั่วคราวใช้ขายของในเวลาเช้าถึงเวลาตอนเย็นและตอนค่ำเล็กน้อยเท่านั้นเ <Sí. S 1> มื่อเวลาสิบสองนาฬิกาตรงก็ออกเดินทางจากหลังสวนมุหน้ามาจัางหวัดสุราษฎร์ธานีในช่วงระหว่างทางก็รู้สึกว่า รีหลอดทั้งหมดแต่ว่าก่อนที่จะถึงจังหวัดสุรา ธ, ธานีปรากฏว่าจะรถตองแต่งเกิดยางไม่ดีต้องทำการเปลี่ยนยางคิดถึงจังหวัดจุดนี้ก็ว่าคิดในใจว่าเป็นพ่อไหร่รถคันนี้วิ่งจากทางเหนือถึงทางใต้ตะวันตกตะวันออกมาแล้ว ชัดระยะเส้นทางกันมากวีนี้เราเดินทางกันตั้งแต่เดือนธันวาคม2520แล้วก็มีหมายกำหนดการติดติดจะต้องประยุด์เอาแค่เดือนกรกฎาคม2521เป็นงานเกี่ยวกับสธาธารณประโยชน์สงเคราะห์บุคคลผู้อยากจนเขินใจในถิ่นทุรกันดาลที่หาที่พึ่งรดยาก แต่ว่าความเมตตาบารณีของคณะเรากลับเป็นที่เพื่องเลงของบุคคลบางพวกบางคณะซึ่งหาว่าขัดผลประโยชน์บ้างทำดีเกินหน้าบ้างก้าวหน้าเกินไปบ้างในเรื่องทั้งหลายทั้งหมดที่พูดมานี้ขอลูกทั้งหลายจงอย่าคิดว่าเป็นของแปลก จ้งทำความรู้สึกว่านั่นเป็นของธรรมดาของพวกเราทุกคนและก็เป็นของธรรมดาของชาวโลกโลกจะหาความสุขด้การสันเสริญไม่ได้โลกจะมีความพอใจแต่เฉพาะการนินทาฝ่ายเดียวไม่ได้นินทาดันสันเสริญเป็นของธรรมดาเมื่อเวลาสีนริกาเสียนิดหน่อย ท่านมอมหลวงวรวัฒก็นําเข้าไปที่โรงไฟฟ้าฝ่ายิลิกของจังหวัดกระบี่ทำการเปลี่ยนยางกันที่นั่นเจ้าหน้าที่ก้อนโรงงานไฟฟ้ามาหากันทับขัง้งทั้งนี้ก็เพราะว่าท่านผู้อำนวยการของท่านใส่น่าใส่ห้างนั่งอยู่ในห้องประชุมกันทั้งหมด ร, รายกดว่า<ป>ในห้องประชุมห<ป>รือในโรงไฟฟ้าส่วนนี้ช่างมีความสุขเสลืเกิน มีเครื่องแบบอากาศกำลัง45ตันสองเครื่องผาดเปลี่ยนเวียงกันใช้แต่เฉพาะอย่างยิ่งอุปรกรณ์ต่างๆในการใช้ไฟฟ้าต้องอาศัยความเย็นเริงของสาคัญเป็นไฟฟ้าเครืงหันไกไน้ำอยู่นันเป็นเครื่องใหญ่สำหรับเครื่องเล็กเล็กเห็นว่าจะเป็นไฟฟ้า กำรับใช้น้ำมันหรือแก๊สกอาตรมา ก, ก็ไม่ทราบกำลังตั้งใหม่อีกสามเครื่องเมื่อเจ้าหน้าที่ทาการเปลี่ยนยางเสร็จได้สั่งสนท่านนายกเจ้าหน้าที่ของโรงไฟฟ้าตามสมควรเวลา1ิบสี่นากาสีสิบสี่นา ท, นาทีก็เดินทางออกจากโรงไฟฟ้ายางที่ใส่ไม่เรียบร้อยก็เข้าไปปรับยางในจังห ว, วัดสุราธานี จังหวัดสุราษฎร์เป็นจังหวัดที่ประกอบไปด้วยความเศร้าโศกและความสลดใจเมื่อสมัยที่ ท, ทั้งหญิงวิภาวดีรังสิตต้องถูก ค, น ค, กคนืนพุ่งเข้าศึกจากบ้านหลังรองทอำเภอเวียงสะเดินเข้าไปในที่จังหวัดสุราษฎร์ราวนั่นเข้าไปแล้วก็แปลกใจเพราะที่สนามบินลงปลายก็ตัวหาอาหารบริโภคไม่ได้ แ้าเราก็ไม่อยากเดินไปไหนแต่ความจริงร้านอาหารอยู่ไม่ไกลกันนะักเราไม่รู้จักไป็ิที่แปลกใจมากว่าคนที่นั่นทำไมไม่มีคนสนใจไม่เห็นใ จ, ใจและใส่ใจกับพวกเราเขาไปจ่าแดงไกลบ้างทุกคนเขามานั่งคุยกันเขาก็เป็นกันเองทุกอย่างสำหรับพวกเขา แต่พวกเราต้องนั่งเฉยๆพระเพื่อติคนไม่รู้จักกับใครอันนี้เป็นเรื่องน่าคิดแต่เรื่ว่าเห็นจะเป็นเรื่องปกติธรรมดาของชาวสุราธานีบางพวกระบางคณะแต่หลายพวกลหลายคณะเขาอาจจะมีจริยายิ่งไปกว่านี้แต่ว่าสนามบินคือฐานบินที่นั้น อาจจะเป็นเจ้าหน้าที่นักบินก็ดีคนสองบินก็ดีคอฐานบินก็ดีคนทั้งหลายก็ดีเราไปนั่งอยู่ตรงนั้นรู้สึกว่าเป็นคนเป็นตัวเป็นหลายของคนทุกคนใช่จริงๆนั่งอยู่ตั้งแต่เวลาสิบนาฬิกากว่าจะกลับมาได้ก็เป็นเวลาเกือบสิบสี่นาฬิกาไม่มีใครอยากจะทักทายปราศัย ความจริงที่พูดนี้เวลานันน่่งอยู่นอกฐานดินไม่ใช่ในฐานดินเป็นเส้นลาที่คนไปคนมาจึงอยู่เสมอทั้งเจ้าหน้าที่ในฐานดินคนดีคนภายนอกคนดีไปนั่งอยู่และเราก็ต้องเป็นคนนั่งเศร้าเมื่อจากความตำรวจเอกสุ ด, ดิ่งผู้กำกับที่ร้อยตำรวจโทยุธนาผู้ลงขับหมดที่บูกทุกบาทเจ็บพอสมควร ที่ไปส่งกับกันหญิงพอมาถึงเราก็มีเพื่อนคุยนอกจากนั้นไม่มีเพื่อนคุยจริงๆการอย่างนี้รู้ครับรู้สึกว่าจะจืิดไปสำหรับคนภาคกลางและภาคเหนือและภาคใต้เขาอาจจะเห็นว่าเป็นของธรรมดาเมื่อคนไม่รู้จักกันก็ไม่ควรจะคุยกันการนั่งเครื่องบินไปแล้ว่านั่งคือบินกลับ นั่งเครื่องบินไปขราวนั้นท่านที่นั่งอยู่บนเครื่องบินก่อนเป็นยศคนตรีทหารบกเมื่อเครื่องบินกลับเวลานั้นสําหรับการนั้นถ้าจำไม่ผิดอาจจะเป็นยศคนตรีสําหรับนายตารวจรู้สึกว่าทั้งสองท่านนี้ย่าอยู่ในเกณฑงของการเศร้าใจหรือว่าตกใจที่ท่านหญิงวิภาวดีรางสิตต้องสิ้นชีวิต เราก็เหงาอีกเหมือนกันเป็นนั้นว่าเขาเดินทางต่อไปงานกว่าจะเสร็จก็ใช้เวลาเกือบสิบแปดนาฬิกาการเดินทางออกจิงได้สั่งคุณนทากับคุณสุกิตให้หาอาหารเตรียมตัวไว้เพราะเกรงว่ากว่าจะถึงกระ บ, บี่ก็จะํำมาก ยังไม่ใช่สิบแปดเป็นเวลาสิบเจดนาิกาเศษใกล้สิบแปดนาฬิกาเวลาเดินทางออกมาจากจังหวัดสุราธานีหรืออยู่ในจังหวัดสุราธานีคราวนี้เรามีแขกพิเศษมีรถคอยเสีกดลอยตามบ้า ง, างบางทีก็วิ่งหลีกไปบ้างเวลาจะเราจะหลีกเขาเขาก็เดินทางช้าๆบ้างเป็นทีนน่น่าสังเกตเขา อ, ออกจาก จังวสุราธานีมานิดเดียวรถขหมอมหลงวรวัตรทั้งย่างไม่ดีเปลี่ยนมาใหม่ๆก็ปรากฏว่ารถคลายต้องจอดแต่ว่ารถสีส้มดัดแสงคันนั้นซึ่งมีมาพล่าวสองสามลูกให้คนนั่งมาสามคนก็หลีกไปด้วยความเร็วเราใช้เวลากันอยู่ชั่วครู่หนึ่ง ยังทําอย่างเสร็จแล้วก็เวียนเรื่อยๆรายกฏว่าไปเจารถสีส้มขนนั่นจะลอความเร็วค่อยเราอยู่ข้างหน้าเมื่อเราหลีกไปแล้วเทก็ขับเร็วขึ้นเป็นที่น่าทางังเขตยิ่งเล่ต์เตือนเจ้าหนที่ในรถเมื่อการเดินทางนับตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นต้นไปทิ้งเอลลาไปและกลับนี่ถือว่าเป็นเขตที่มีคนรักเราเป็นพิเศษ รถวิมาใกล้จะถึงครองฤกษ์ฤกษ์กน้อยปรากดว่าเจ้าตองแต่งอารวาอย่างที่ใส่มาอย่างไหนแสบต้องจอดเปลีอย่างใหม่ปรากฏว่าที่จุดนั้นเป็นที่สําคัญที่ท่านผู้ก่อการดีทั้งหลายสเสดอาลวาดนี่ท่านั้นหลายเหล่านี้ท่นอยู่ที่ไหนเราไม่ทราบ เจ้ได้ให้การต้อนรับ ก, กับเจ้าหน้าที่ว่าเกรงว่าจะค้ามตามทางเมื่อเจ้าหน้าที่ทําการเปลี่ยนยางเสร็จก็เดินทางต่อไปถึงจังหวัดกรบีเข้าเขตจังหวัดกรบี่ก็ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่เขาหม่อมหลวงวรวัฒนวรัตต์จัดสถานที่โวยเจตจหารไว้ให้อย่างดีการเข้ามาถึงจังหวัดกรบีคราวนี้สร้างความชื่นใจให้กับพวกเรามาก พ่อะอะไรจังหวัดกระ บ, บีเป็นจังหวัดประวัติศาสตร์อันหนึ่งที่ในข้าวต่อไปพ่อจะคุยให้ลูกฟังทั้งนี้ก็ก็ว่าจังหวัดกร บ, บีในสมัยหนึ่งก็ใช้ทําการรบหนักบริเวณที่สร้างโรงไฟฟานี่ปรากฏว่าเป็นบริเวณที่เกิดทําการรบเั็นอย่างหนักคนไทยและคนเจ้าของถิ่นคนไทยที่เป็นเจ้าของถิ่นก็มี คนไทยที่จอนมาคนดีจากสุขโขทยัยมายึดพื้นที่อาจจะต้องเสียชีวิตบ้างแต่ว่าฝ่ายเจ้าของถินเสียชีวิตมากกว่าฉะนั้นการรบคราวนั้นเราจะมีการชนะเป็นความชนะอย่างยิ่งใหญ่ของพ่อขุนรามคำแหงทั้งนี้เพราะหลายเพราะว่าพ่อขุนรามคำแหงสมัยที่ครองราชในจังหวัดสุขโขทยัย กำลังของเราที่แผ่ขยายลงมาทางทิศใต้ตกไปถึงสิงคโปร์แล้สำหรับมาริทวร์วนี่ก็เป็นของเราลูกรักเป็นว่าคนโบราณฉลาดหรือว่าคนโบราณงโง่แต่ถ้าว่าดินแดนแห่งนี้ทางสายใต้เวลาที่เราเดินทางมานี่เป็นดินแดนของสงครามสงครามระหว่างพวกรักษาประเทศ กับสงครามที่บุคคลผู้ต้องการให้ประเทศเป็นทาสทำสงครามกันในเรื่องการสงครามนี้นั้นรู้สึกว่าทางสายใต้จะเปลี่ยนดีลาการรบเป็นการใช้แบบการลุยเทพคือใช้การเมืองมีความเห็นอกสนใจคนที่จะ อ, อยู่ในเขตบังคับมากกว่าที่ให้การทาหารทหารคนไทยด้วยกัน นโยบายอย่างนี้ของท่านเดชทางเล่การพ่อรู้สึกว่าเป็นที่ประทับใจถ้าเราใช้อาวุธขับไล่กันคนดีก็จะกลายเป็นคนร้ายไปด้วยทั้นี้ก็เพราะว่าคนดีที่อยู่ในเขตคนร้ายเจ้านาจเจ้าอานาจสจานาที่ของเจ้าหน้าที่ไม่สามารถจะคุ้มครองได้เขาก็จะต้องตกอยู่ภายใต้อํำนาจของคนร้ายคนร้ายก็จะบังคับให้จจกอาวุธต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ อย่างนี้เราก็จะถือว่าเป็นการตราประหายคนดีไว้ได้ในตัวเอาหลักสำหรับเรื่องราวของจังหวัดกะบีมองดูหน้าเทพไม่พอจะใช้พอจะเล่าให้ลูกทันหลายฟรังนเมื่อโอกาสมาียงสำหรับวันนี้ก็ขอุติวจิวจะเทียงตำานี้พราะความสุขสวัสดีจงมีแด่ลูกที่รักทุกคนสวัสดี